วิธีเก็บมานัทภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเก็บมานัทอย่างนี้ภิกษุผู้ประพฤติมานัทพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งคมอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวว่าข้าพเจ้าเก็บมานัทมานัทย่อมเป็นอันเก็บ หรือกล่าวว่าข้าพเจ้าเก็บวัดมานัดย่อมเป็นอันเก็บ